น้ำพระเช้าก็มีพระท่านถามเกี่ยนในเรื่องของกรรมมาก็เลยเดี๋ยวนั่งคุยกันในเรื่องของกรรมสักเล็กน้อยพูดถึงเรื่องเจตนาเจตนาเนี่ยเป็นธรรมชาติที่คอยจัดแจงสามประยุทธธรรมที่เกิดพร้อมกันกันกบตน ไว้ในอารมณ์หมายถึงอะไรหมายความว่าเป็นสภาวะธรรมที่มีสภาพเป็นผู้กระตุ้นเตือนสัมยุตตธรรมกระตุ้นใครกระตุ้นจิตและเจตสิกเนี่ยที่เกิดพร้อมกันกันกบตนนั่นแหละให้มุ่งมั่นในการทำกิจของตนฉั้นเจตนาเนี่ยจึงเป็นตัวสาคัญมากท่านใช้คาว่าอารัมมณสุสัมยุตตธรรมเมเจตยัต ติเจตนาเนี่ยเป็นต้นนะที่บอกว่าธรรมชาติที่จัดแจงสัมยุต ธ, ธรรมไว้ในอารมณ์ทั้งหลายชื่อเจตนาทีนี้ผม พ, พูดถึงเรื่องเจตนาหมายถึงสภาวะธรรมเนี่ยที่จัดแจงเนี่ยคำว่าสัมยุต ธ, ธรรมเนี่ยธรรมที่ธรรมที่เกิดร่วมเนี่ยร่วมกับเจตนานั้นถ้าพูดถึงตัววิเศษลักษณะลักษณะเฉพาะตัวของเจตนา ล้วอาจจะเรียกว่าเจตจำนงความจงใจความตั้งใจเจตคตินี่ในเจตนานี่ไอ ต, ตัวนี้นี่แหละที่มีความสำคัญค่อนข้างมากในพุทธพจน์จะมีคำว่าเจตนาหังพิกเวกัมมังวธามิเจตยิตวากัมมังกโรติกายวาจายะมณสาบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราตถาคตกล่าวว่าเจตนานั่นแหละว่าเป็นตัวกรรมเมื่อบุคคลถูกกระตุ้นเตือนด้วยอำนาจแห่งเจตจำนงความจงใจตั้งใจแล้วย่อมกระทําการงานที่เกี่ยวกับกายบ้างวาจาบ้างและใจบ้างดังนี้นั้นกรรมจึงเป็นชื่อของการกระทําถ้าพูดถึงตัวเจตนาเนี่ยเป็นตัวกรรมอันนี้บ่งบอกตังตามพุทธพจน์เนี่ย แต่ไม่ใช่เจตานาตัวเดียวเป็นกรรมลําพังเจตนาอย่างเดียวเนี่ยความสำลิดผลการทํางานออกมาเป็นกรรมเป็นไม่ได้เจตนา น, นัต้องอาศัยสภาวธรรมอื่นๆที่เกิดร่วมด้วยต้องอาศัยทั้งเวทนาต้องอาศัยทั้งตัวสัญญาต้องอาศัยตัวสังขารที่มาปรุงแต่งอีกมากมายต้องอาศัยกลุ่มนามมาทำทั้งหลายที่เกิดร่วมกับเจตนาด้วยเฉพาะเจตนาตัวเดียวเนี่ยเป็นกรรมไม่ได้ต้องอาศัยองค์ประกอบอื่นๆ องรวมอื่นๆมาช่วยกระตุ้นเตือนเหมือนเราจะบอกว่าองค์าพยพบของรถเนี่ยมีส่วนประกอบชิ้นเดียวไม่ได้ใช่ต้องมีส่วนประกอบทั้งหมดนั่นแหละรวมกันยิงเรียกว่ารถและทำให้รถนั้นดำเนินไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างนี้เป็นต้นนั้นแต่พูดถึงเจตนาตัวเดียวเนี่ยเป็นกรรมเนี่ยอันนั้นพูดโดยฐานะที่เป็นการชี้ตัวความสาคัญ คืออย่างเหมือนเจตนาที่ถมองถึงว่าเจโตยุตตาลัคณามีการชักชวนกระตุนต้นเตือนสัมผัสยุทธธรรมในอารมณ์เป็นลักษณะหมายถึงอะไรเจตนานี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเขาแสดงลักษณะอาการอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาคือการชักชวนเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเจตนาคือเขามีหน้าที่ชักชวนมีหน้าที่กระตุน้นเตือนจิตและเจตสิกให้เกิดพร้อมกันกับต น, นให้ให้ทําหน้าที่ ให้ไปจับอยู่กับอารมณ์ไม่ให้หลุดท้ายไปจากอารมณ์นั้นแล้วก็จัดแจงให้สัมยึดธรรมเหล่านั้นนะทำหน้าที่ของตนของตนไม่ให้ย่อหย่อนไม่ให้ความไม่เกิดความเหลื่อมล้าเจตนาเลยทําได้ที่ว่าจัดแจงให้ความรู้สึกเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรเนี่ยเช่นไปเกี่ยวข้องไปเห็นสีเสียงอะไรก็แล้วแต่เถอะมาไปกระตุ้นเตือนให้ สภาวธรรมต่างๆนั้นไปจับในอารมณ์นั้นไม่พอแล้วก็ยังทำว่าเอา้าแต่ละสภาวธรรมคุณต้องทําหน้าที่เช่นผัสสะต้องทําหน้าที่กระทบต้องกระตนเตือนเนี่ยเวทนาต้องทําหน้าที่เสวยรดของอารมณ์สัญญาทําหน้าที่จําาอย่งงี่นะความโลภก็ทาําหน้าที่แห่งการกําหนัดยินดีโทสะก็ทําหน้าที่ประทุษสลายอารมณ์อย่างเงี้นะอุตจักก็ทําหน้าที่ฟุง้งไป วิจิตรคิชาทําทำที่ลังเลสงสัยอะเงี้ยนะฮะไอเงี้ยเจตนาจะจัดแจงให้สภาวัธรรมที่เกิดร่วมกับเขาเนี่ยทากิจทําหน้าที่ของตนไม่ให้หย่อนหน้าที่และให้เหมาะสมกับหน้าที่นั้นนั้นนี่เป็นลักษณะของเจตนาเนี่ยอุปมาเหมือนอะไรเหมือนผู้จัดการที่คอยจัดแจงกิจการงานให้ลูกน้องแลือผู้ร่วมงานหรือเหมือนนายเขาจัดแจงว่าคนนี้ทําอะไร คนนีท้ทําอะไรวคนนี้ทําอะไรตรงนี้ทําอะไรตนเองก็ทําด้วยก็ใจยากก็ใจยากไหมยยากแชร์แชร์เจตนาจะโกรธใครได้ไหมเออเจตนาจะกําหนัดยินดีก็ได้เจตนาอยากจะให้ทานได้ไหมเออเนี่ยเห็นไหมเจตนามันเป็นได้ทั้งบุญและบาป เจตนาเป็นตัวจัดแยงให้สภาวธรรมเหล่านั้นทำหน้าที่ตามกิจของตนอยู่ในขอบเขตของตัวเองเป็นอุปมาเหมือนกับหัวหน้าคนงานหัวหน้าคนงานหรือแม่ทัพในกองก็วางตำแหน่งคุ้มกำลัง อ๋อเจตนาใช่ไหมคือตัวเจตนาเขาเกิดพร้อมกันกับสภาวธรรมอื่นๆอยู่แล้วเพราะถามว่าเจตนาเนี่ยเขาทำตามอะไรก็มีสภาวธรรมอื่นๆอีกเยอะนอกจากเขาจัดแจงเขามีหน้าที่จัดแจงแล้วเนี่ยในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ถูกสภาวธรรมอื่นๆเนี่ยจูงเขาด้วยไม่ใช่ไม่ถูกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนเราทํางานกับลูกน้องไปให้ลูกน้องทํา ใครลูกน้องทํางานกวาดบ้านเออยล้างจานเออยหุงข้าวเออยตัดหญ้าเออยเนี่ยในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ทําตามเขาด้วยเราก็ไปช่วยเขาทำด้วยเห็นไหมถามว่าใครเป็นตัวกระตุ้นเราก็นั่นแหละสิ่งแวดล้อมนัม่นแหละธรรดาลูกน้องหรือคนที่เกี่ยวข้องเห็นไหมเหมือนก็เอ้าแล้วอแม่ทัพเนี่ยมีหน้าที่วางกองกําลังว่าฐานคนนี้ทําอะไรอะไรแล้วตัวเองก็ ต้องต่างทำด้วยใ ค, ใครจูงเราใครชักจูงเราก็นั่นแหละสิ่งแวดล้อมตรงนั้นทั้งหมดนั่นเลยเองคประกอบเลยนะั้นทั้งหมด น, นเนี่ยลักษณะอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าให้เหมาะสมกับหน้าที่การงานและความสามารถของลูกน้องหรือพวกรุ่มงานและก็กระตุน้นเตือนให้กระทําตามหน้าที่ของตนของตนไม่ให้ย่อหย่อนด้วยไม่ให้อดอาดด้วยไม่เกิดความเหลื่อมล้ํานอกจากกระตุน้นเตือนสมรูธรรมแล้วตนเองก็ทําหน้าที่ไปพร้อมกันนั้นด้วย เห็นชาติได้ยังริมเนตอนนี้ก็ทําหน้าที่ตามไปด้วยทีนี้อายุหันละาอันนั้นหมายถึงมีความกังวลห่วงใยในการรับอารมณ์ของวิยุต ธ, ธรรมกหมายความว่ า, มาเมื่อเจตนาปรากฏแล้วเนี่ยก็ทําทหน้าที่กระตุน้นเตือนจิตเจจะติก์แล้วเนี่ยที่ได้กวามสำเยุตธรรมแล้วเนี่ยให้ทำกิจแล้วเนี่ยตนเองก็รับอารมณ์นั้นด้วยท่านทั้อุปมาเหมือนเจ้าของนา ที่กำลังเกี่ยวข้าวพร้อมกับลูกน้องเจ้าของนาก็ย่อมมีความห่วงเป็นห่วงเป็นใยเกรงว่าลูกน้องจะทำหน้าที่ของตนไม่เต็มที่ก็จึงคอยสอดส่องดูแลกระตุ้นเตือนให้ลูกน้องทำการเกี่ยวข้าวไปอย่างขมะักขะม่นเต็มกำลังความสามารถเนี่ยและตนเองก็ไม่นิ่งเฉยก็ทำการขนขวายในการเกี่ยวข้าวพร้อมไปกับลูกน้องด้วย แล้วประมาการเกี่ยวข้าวเคเกี่ยวข้าวไหมใช้รอดหรือใช้มือใช้มือใช่ไหมโอ้โหแล้วก็ดูว่าเอ้ยคนนั้นเกี่ยวกันหรือเปล่าคนนี้เกี่ยวหรือเปล่าคนนี้เกี่ยวหรือเปล่าในในขณะเดียวกันตนวเองก็ทำไปเรอยเอออย่างเงี้ยเจตนาเหมือนเจ้าของนาลูกน้องทั้งหลายก็เหมือนกับสัมพยุพธรรมที่เกิดร่วมกับเจตนาภาสาเวทนาสัญญา วิตกวิจารน่ะที่หมอกวิริยะปีติฉันทะศรัทธาวิริศรัทธาสติหรืโอตะปาทั้งหลายเหล่านี้โอเขาทำงานกันใหญ่แต่ว่ามีใครเป็นกวัวกำกับมีเจตนาคอยกำกับคอยเป็นห่วงเป็นใ ย, ยคอยกระตุ้นเตือนว่าจะทําหน้าที่หรือไม่ไทําและในขณะเดียวกันตัเองทําด้วยไหมตัวเด้งก็ทําหน้าที่ตัวเด้งไอาหารมีทั้งโยนิโสทั้งอโยนิโส มีความฉลาดคิดและไม่ฉลาดคิดถ้าความไม่ฉลาดก็เป็นปัจจัยให้กับเจตนาชั่วร้ายถ้าฉลาดคิดก็เป็นปัจจัยแก่เจตนาที่ดีจะเขาไปเจตนาไปเกิดร่วมกับปัญญาดีไหมโอ้ยดีเลยลูกน้องอนั่นแหละพระชนม์ไ้าไปเกิดร่วมกับศรัทธาก็โอ้ยส่งเสริมใหญ่เลยนะกระตุน้นเตือนให้มีความศรัทธาตั้งมั่นมากขึ้นเพาะงั้นจะ ไเกิดร่วมกับสติไปเกิดร่วมกับความไม่โลภไม่โกรธปัญญาเนี่ยโหไปใหญ่เลยใ น, นขณะเดียวกันเจตนาไปเกิดร่วมกับทีน้นมิทาเป็นไง <c oughs> หง่อยซึมเคยเป็นไหมมันมีความรู้สึกว่าวัน ย, รรยากาศอย่างนี้ไม่ค่อยอยากทำอะไรอันนี้มันเจตนาเนี่ยเจตนาไม่อยากทำอะไรอยากจะพักอยากจะนอน <c oughs> บางคนเนี่ยใช้เจตนาจนในทางไม่ดีจนติดเป็นอัธยาศัยเลยเช่นเจตนาเครียดเจตนาวิตกกังวลเจตนาหการนอนไม่หลับโอ้ใ ช, ใ ช, ใ ช, ช, ใช้ใช้จนชินเลยเนี่ยใช้ใช้จนชินเลยเนี่ยเจตนาตัวเนี้ยจนกลายเป็นว่าเป็นอัธยาศัยโดยไม่รู้ตัวจนคล่องไปเลย จะนอนแต่ละทีก็จะหลับลงได้ในพลิกซ้ายพลิกขวาใช้จนใช้เจตนาผิดในทั้งแ น, นก็ไม่รู้สังวิธานะปัจจุบัานาก็มีการจัดแจงสมยุท ธ, ธรรมไว้ในอารมเป็นอาการปรากฏก็หมายความว่าเจตนาเจตสิกเนี่ยมีอาการเป็นไปโดยการจัดแจงหรือกระตุ้นเตือนสมยุท ธ, ธรรมให้จับอยู่ในอารมณ์ก็คือให้มุ่งมั่นในการกระทํากิจของของตนของต น, นไม่หยุดไม่หยุดชะ ง, งัก กอนที่จะสําเร็จกิจในอารมแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยอุปมาเหมือนหัวหน้า ง, งานหรือนายช่างใหญ่นั่นแหละที่สามารถทํากิจการงานของตนให้ดําเนินไปโดยไม่บอกพ้องและในขณะเดียวกันก็ยังสามารถแนะนําตักเตือนด้วยให้กับลูกน้องและบุคคลอื่นๆที่ทํากิจของตนเองให้สําเร็จไปพร้อมๆกันกับตนด้วยนี่เป็นแบบเป็นอาการปรากฏที่เห็นชัดเลยว่าโอ้ยเหมือนนายช่างเหมือนหัวหน้านี่แหละ อันนี้เป็นการจัดแจงมีหน้าที่จัดแจงค่อนข้างดีมาก <c oughs> ให้ทากิจได้ดีรับผิดชอบได้ดีมากเจตนาจะเป็นลักษณะอย่างนี้เหตุใกล้ของเจตนาคืออะไรอะไรเป็นเหตุใกล้ทำให้เจตนาเกิดขึ้นเวทนาสุขเขเวทนาก็ได้ทุกเขเวทนาก็ได้อุเบกขาเวทนาก็ได้สัญญาก็ได้ จำในรูปจำในเสียงจำในกลิ่นจำในรสจำในผงถั่พะจำในธรรมารมจำในบ้านจำในทรัพย์จำในเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะไอความจำต่างๆเหล่านี้มากระตุ้นเตือนให้เจตนาทำหน้าที่เฮ้ยอยากจะทำเอ๊พรุ่งนี้ต้องทำอะไรอ้อต้องตื่นทำอาหารเจตนาใช่ไหมมันจำได้อะวันเราต้องทำอะไรเดี๋ยวต้องกลับไปบ้านไปดูคนงานเดี๋ยวต้องไป ดูต้นไม้ตอนนี้ต้องให้คนงานเนี่ยลดน้ําต้นไม้หน่อยหน้าหนาวด้วยหน้าร้อนด้วยเดี๋ยวมันหิวโอยมันจําได้หมดเลยทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็โทรกันโทรกันไปว่าที่นู่นเนี่ยต้นไม้ต้นนั้นย้ายออกหรือยังเนี่ยมันจะอันนี้ช่างมาทํางานไว้เลยทําไปถึงไหนบ้างถ่ายลงไปดูดูเย้ยงั้มันโตมันเจตนาเนี่ยมันมาจากสัญญานี่มาจากเออถ้าหากมันมาจากสุขทุกข์ด้วยนะ การเวทนาเขกระตุ้นด้วยนี่รู้สึกสุขใจก็คือว่านึกถึงเรื่องนี้แล้วสุขใจและความสุขใจมันจำมันจำเรื่องนั้นไว้ด้วยสัญญาก็จำไว้พอจำไว้เสร็จปุ๊บล้วก็นึกถึงเรื่องนั้นมาพอนึกแล้วสุขใจมีเจตนาต่อเลยต่นี้โอ้จะทำต่อทำแล้วมันสบายใจ แล้วการได้เห็นได้ยินได้กลิ่นได้ลิ้มรสทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเป็นปัจจัยต่อเจตนาหมดเลยโอ้เรามีเจตนาอะไรอะแล้วอยากจะเห็นเนี่ยแล้วอยากจะเห็นบ้านหลังนี้โอ้โหทําใหญ่เลยเนี่ยอ้ยากจะเห็นนี่แหละโอ้เราอยากจะได้ยินเสียงของคนที่มาอยู่ในบ้านหลังนี้ก็ทําบ้านหลังนั้นใหญ่เออเราอยากจะได้กลิ่นได้ลิ้มรสได้สัมผัสแล้วได้บรรยากาศที่ดีได้ทําอารมณ์ที่น่าเพลิดเพลินอ้าวสร้างหลังนี้ขึ้นมาใหม่สักหลัง นี่การเห็นการได้ยินก็เป็นปัจจัยต่อเจตนาใช่ไหมแต่ต้องบอกว่าเวทนาขันสัญญาขันและก็วิญญาณขันเป็นเหตุใกล้ของเจตนาและก็มีตัวนามธรรมอื่นๆด้วยนนามธรรมอื่นๆด้วยเป็นเหตุใกล้เพราะเจตนาเนี่ยเป็นสภาวธรรมที่ทำหน้าที่ชักชวนกระ ต, ตุ้นเตือนก็คือัญญธรที่เกิดพร้อมกันก็คือเวทนาสัญญาวิญญาเนี่แหละ แล้วก็สังขาระขันอื่นๆนั่นเองถ้าไม่มีสัมยุทธธรรมที่เกิดพร้อมแล้วเนี่ยเจตนาก็ไม่สามารถจะทำกิจในการกระตุ้นเตือนได้่ะถามว่าลูกน้องก็เป็นปัจจัยให้กับหัวหน้าให้ขยันขันแข็งหัวนหน้าที่ต้องมารับผิดชอบในการทำสิ่งนู้นสิ่งนี้ก็เพราะลูกน้องนั่นแหละช่วยทำตรงนั้นขึ้นมาทำตรงนี้ขึ้นมาโอ้ยเราก็ได กิจการทั้งหลายได้เพิ่มพูนเลยมากขึ้นมันเอื้อกันไหมเ้าอยากเป็นทั้งอัญญามัญญาซึ่งกันและกันด้วยเป็นปัจจัยแก่กันและกันใช่ไหมมองเห็นหรือยังในเจตนาเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ถ้าไม่มีตัวสภาวธรรมอื่นเกิดร่วมกับเขาตัวเขาก็ทำอะไรไม่ได้เห็น เ, น เ, นเนขนาจะทำบ้านอยงลูกัวหน้าจะทาบ้านอง ต้องอาศัยลูกน้องใช่ไหมเพราะมีลูกน้องนั่นแหละหัวหน้าก็เลยได้มีโอกาสได้ไปร่วมทําได้ไปร่วมคิดได้ไปร่วมจัดแจงเออมันได้ร่วมกันแม่มันเป็นปัจจัยเอื้อต่อกันลูกน้องก็ต้องอาศัยหัวหน้าค่อยๆกํากับว่าจะทําตรงนั้นจะทําตรงนี้ต่างฝ่ายต่างซึ่งกันและกันอย่างนี้เอื้ออาศัยซึ่งกันและกันอย่างนี้นํามาทําสภาว่าทำทั้งหลายก็ดําเนินไปได้อันนี้ไม่ใช่สัตว์บุคคลนะ เนี่ยเขาทำนาทีของเขาอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเลยแต่เราจะรู้หรือเปล่ากันนี้ทำไปโดยไม่รู้กันนี้แต่เขาทำน้าทีของเขาเว็ดเสร็จแม้ถ้าหากมียานปัญญาไปเห็นสภาวธรรมเหล่านี้เขากำลังํากิจของเขานี่น่าจะมีความสูงมากใช่ไหมเขาทํากันให้ยุบย่บไปหมดเลยทํากิจทั้งการใช่ไหมเห็นไหมกว่าจะมีการขยับมือขยับไม้กว่าจะมีการเคลื่อนไหวทํากิจกรรมต่างๆแปลว่านามธรรมเนี่ยโอ้ยเขาทํากิจของเขาอย่าง คอบท่วนกระบวนวามแล้วถ้างั้นจะผักดันเหตุการ์ยืดแขนหดแขนเนี่ยในการขยับปากพูดอะไรต่างๆโอ้โหกขาทำหน้าที่เขาชัดในขณะที่จะนั่งฟังด้วยความตจอดจ่ อ, จ อ, จ อ, จ อ, จอตั้งใจหรือไม่ตั้งใจต่างๆอลไรเนี้ยเจตนามีอิทธิพลและทำที่เกิดร่วมกับเจตนามีอิทธิพลหมดเลยจะฟังด้วยความตั้งใจจะฟังโดยไม่ความตั้งใจจะฟังด้วยความรู้จะอยากฟังหรือไม่อยากฟังจะฟังด้วยความเคารพหรือฟังด้วยความไม่เคามมรพ จะฟังแบบต้องการจะจําได้ต้องการจําไม่ได้ต้องการเอาไปประพฤติปฏิบัติหรือไม่ต้องการเอาไปประพฤติปฏิบัติจะฟังพอไปทีหรือฟังแบบเล่นเหรือฟังแบบเพเลินเพลินอะไรทั้งหลายเลยเจตนามีอิทธิพลหมดเลย <c oughs> แล้วก็สภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับเจตนาก็มีอิทธิพลหมดเลยฟังแบบ เ, บบงงเซ็งเซงเบื่อเบื่อง่อยเหงาเศร้าซึมแบบไม่เซ็งไม่เบื่อไม่ง่อยเหงาเศร้าซึมเนี่ยมันไปหมดเลยใช่ไหมเราไม่เคยรู้เลยทั้งมันทํากิจกรรมมันอยู่ตลอดเวลาอยู่อย่างนี้ เริ่มเห็นนี่ยังมีความสาคัญไหมนี่นพิจารณาอย่างนี้ก็จะเห็นชัดขึ้นที่บอกว่าเจตนาหังพิโคเวกัมมังวรามิเจตยิตรวามนสาัสสนี่แหละเจตยิตรวากัมมังโรติกาเยนะว า, ายามนัสาบอแปลว่าดูก่อนพิกษุนทั้งหลายเราสถาคตกล่าวว่าเจตนานี่แหละเป็นตัวกรรม เพราะเมื่อบุคคลกระตุ้นเตือนด้วยอำนาจแห่งเจต จ, จำงและความจงใจตั้งใจแล้วย่อมกระทำการงานที่เกี่ยวกับกายบ้างการงานที่เกี่ยวกับวาจาบ้างการงานที่เกี่ยวกับใจบ้างฉะนั้นพูดออกมาเนี่ยเป็นงานแล้วเรียกงานงานก็คือกรรมกรรมก็คือการกระทาการกระทาก็เรียกว่างานอันเดียวกัน ก็หลวงกรบอก oh, ไม่มีงานมีงานได้ไงเนี่ยก็ทําทางกายบ้างทางวาจาบ้างทั้งใจบ้างตลอดนี่ก็เรียกงานการขับเคลื่อนกิจกรรมของชีวิตทุกขก์อย่างเขาเรียกว่า ง, งานก็คือการทํากรรมเห็นเริ่มเห็นชัดขึ้นไหมทํากันอยู่ตลอดเวลาน้วยเนี่ยไม่เห็นมีใครไม่ทํางานเลยจะทํากรรมกันตลอดเวลากรรมทางกายบ้างกรรมทางวาจาบ้างกรรมทางใจบ้างทําตลอดไหมทําตลอดเลยใช่ไหมตอนนี้นั่งเฉยๆเนี่ยทางานทางไหนอยู่ ทางใจพอปากพูดมาก็ทํางานทางวาจากายขยับขยื่อนก็ทํางานทางกายใจคิดนีกก็ทํางานทางใจสรุปแล้วเนี่ยการทํากรรมทําตลอดไหมเออก็แปลว่าฉันต้องทํางานฉันตลอดมีคนคนถามว่าคุณกําลังทําอะไรฉันก็ทํางานฉันตลอดก็คือทำกรรมฉันอยู่ตลอดนั่นแหละว่า ง, งั้นเถอะ คนเนี้ยไม่มีงานทําอะไรกับเขาหรอกพูดผิดได้ถูกพูดผิดทำกรรมกันตลอดดูที่เนี่ยบางคนก็ถือไม้กวาดเดินไปก็เดินมา <c oughs> ถือไม้กวาดเดินไปเดินมาเนี่ยเนี่ยเข า, ากรรมเขาเนี่ยเนี่ยลังทํากรรมอยู่ทํากรรมทางกายเพื่อก็คุยกันบ้า <c> ง <oughs> ใช่ไหมในการงานพวกเราก็ทํากรรมของเราเนี่ก็ทํากรรมเห็นไหมเนี่ย กำลังทำกรรมอยู่นี่นะะใช่ไหมทำกรรมทางไหนอทางไหนอ่ะทางกายทางวาจาหรืทางใจใกายขยับขยเรือนนี้ทางกายพอพูดออกมาก็กำลังทำงานทางวาจาใจต้องคิดตลอดไหมคิดไปบ้านืองคิดไปรถคิดไปที่วัดบางคิดในเรื่องนึ่นบางเนี่ยก็ทำงานของเขานันจะบอกว่าผมแล้วไม่ว่างเลยผมต้องทางานตลอด เดี๋ยวผมนั่งอยู่เนี่ยโอ้โหผมจินตนาการคิดตลอดเลยว่างั้นเนี่ยการงานบางคนเนี่ยทีนี้เด็กเข้าใจคำว่างานเสียทีงานก็คือกิจกรรมที่ต้องทำตลอดเริ่มเข้าใจชัดเลยต่เนี้ยโอ้พอเห็นอย่างนี้ขึ้นมารู้สึกมีค่าขึ้นไว้เอาแล้วทีนี้ กรรมนี่เป็นชื่อของการกระทำก็คือเป็นชื่อของการงานทางกายการงานทางวาจาและทางใจการกระทำต่างๆสำเร็จลงได้ต้องอาศัยเจตนาเป็นประธานก็คือเป็นตัวนำนั่นเองฉะนั้นจึงบอกว่าเจตนานี่แหละเป็นตัวกรรมถ้าบอกว่าเจตนาเป็นตัวกรรมเนี่ยเป็นการเรียกโดยอ้อมหรือเรียกโดยตรง เป็นการเรียกโดยอ้อมเลยอโดยตรงว่าไงนะโดยตรงใช่ไหมว่าไงจริงๆเรียกโดยอ้อมโดยอ้อมอ่าทำไมถ้งเรียกโดยอ้อมละ่ะ <c ười> คือยกเอาชื่อของผลมาตั้งอยู่ในฐานะ เ, เหตุ เจตนาเนี่ยเป็นผลอีกทีหนึงน่งนะไอส้สามยุทธธรรมที่เกิดรอบกับเจตนาเนี่ยก็เป็นเหตุ <laughs> ใช่ไหมล่ะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวจะ่วยเข้าใจเข <laughs> ้าใจว่าเจตนาตัวเดียวเนี่ยอจะเป็นกรรมได้ยังไงล่ะต้องอาศัยผัสสะต้องอาศัยเวทนาต้องอาศัยสัญญาต้องอาศัยความโลภต้องอาศัยความโกรธอาศัยความหลงอาศัยความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงพวกนี้แหละ มาเป็นตัวกำกับเวเจตนาอีกทีนึงเมื่อเขาเกิดร่วมมาแล้วแต่เลยเรียกชื่อเจตนาเพราะเจตนาเป็นตัวจัดแจงลูกน้องห้าสิบคนเจ้านายคนหนึ่งใครใครกำกับใครใครกระตุ้นเตือนใครเจตนานี่แหละกระตุ้นเตือนให้เขาทำหน้าที่ก็จริงอยู่ใช่ไหมแต่เจตนาจะทำอะไรไม่ได้หรอก บำพังเจตนาตัวเดียวก็ต้องอาศัยลูกน้องเนี่ยเป็นเหตุทําให้การงานนั้นสําเร็จได้มองเห็นไหอยังเจตนาจึงเรียกเจตนาเป็นกรรมเนี่ยไปเรียกโดยอ้อมไม่ได้เรียกด้วตรงพอกพุตโภพว่าเจตนาหังพิฆเวกับมังวะธ า, ามิดูก่อนพิกษุททั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนาเลยเป็นตัวกรรมเมื่อบุคคลมีความจงใจแล้วจึงทําจึงพูดจึงคิด ยึดพูดมีเรียก ด, ด้วยผลโดยอ้อมเการเรียกชื่อโดยอ้อมกรรมจะสําเร็จลงได้ต้องใ ส, ส่สมิธธรรมนะที่ทําหน้าที่ของตนของตนโดยไม่บกพร่องจึงจะสําเร็จเป็นกรรมได้ถ้าภรรษาทําหน้าที่บกพ้องเวทนาทําหน้าที่บกพ้องสัญญาทําหน้าที่บกพ้องศรัทธาทําหน้าที่บกพ้องความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงทําหน้าที่ บอกพ่องมันจะเป็นกรรมได้ไหมจะเป็นกุศลกรรมได้ไหมไม่ได้ลาพังเจตนาอย่างเดียวยึงเป็นกรรมไม่ได้ไงแต่เจตนาก็เลยต้องไปบอกวิธทําหน้าที่ให้ถูกต้องให้ถูกต้องให้ถูกต้องเจตนาไปกํากับเลยใช่ไหมอย่างยกตัวอย่างเช่นเม้งขายผ้ามีลูกน้องห้าคนมีลูกน้องยี่สิบคนอย่างเี้ยเม้งก็บอกวิ้ีขายตรงนี้นะเอองเย็นอยู่บูตนี้บูตนี้บูตนี้นะทาอย่างนี้ทําอย่างนี้เสร็จปุ๊บถ้าลูกน้องทําหน้าที่บอกพ้องการขายสําเร็จไหม ผลกำไรจะมีไหมไม่มีฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าหัวหน้าหัวหน้าเลยจะฐานะว่าโอ้โหที่จะเป็นพ่อค้าทำงานสำเร็จได้ก็เพราะอาศัยว่าไปกำกับลูกน้องได้ดีและการกระทำอะไรไม่มีเจตนาือที่ามม่ดนะการกระทอะไรไม่มีเจตนามีหมดเลย ไม่มีที่จะไม่มีเจตนาแต่เพียงว่าเรามีเจตนาอีกอย่างมันออกมาอีกย่างเท่านั้นเองแต่ที่จะไม่มีเจตนาเป็นไปไม่ได้เช่นเรามีเจตนาจะเดินเนี่ยนะจะเดินไปเนี่ยมีเจตนาที่จะเดินไปที่ท้ายสลาแต่เราไม่ได้มีเจตนาฆ่ามดหรอกแต่เราไปเหยียบมดเข้าใจไหมเจตนาคือเจตนาจะเดินไปท้ายสลาเนี่ยแต่เท้าเราไปเหยียบมดตายอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่มีเจตนาฆ่ามด แต่มีเจตนาจะเดินใช่ั้มจะไปบอกไม่มีเจตนาไม่ได้แต่ว่าเจตนาอะไรเช่นเรามีเจตนาที่จะไปช่วยคนตกน้ำเนี่ยจะไปไปมาเนี่ยราอุปกรณ์ผิดพลาดโยนไปปุ๊บไปทับหัวเขาตายใช่ไหมเราไม่ได้มีเจตนาฆ่าคนนะแต่มีเจตนาจะช่วยนั่นแหละแต่เราบอกว่าเราไม่มีเจตนาจริงๆคือเรามีเจตนาอีกอย่าง ประการมีแค่นี้เองฉะนั้นทุกอย่างมีเจตนาทั้งหมดมีเจตนาทั้งหมดแต่เจตนาอาจจะเป็นอีกอย่างใช่ไหมมันก็ไปอีกอย่างมองเห็นที่ยังฉะนั้นการกระทําทุกอย่างมีเจตนาคําพูดทุกอย่างมีเจตนาการบริการความคิดทุกอย่างมีเจตจํานงมีเจตนาแต่เจตนาอะไรก็ว่ากันไป เช่นยังไงก็มีเจตนาอย่างอื่นมันมีมีเจตนาแต่เจตนาะอะไรเช่นก็มีเจนตนจาก็ ม, ามีเจตนาที่เป็นไปกับโมหะเป็นเจตนาที่เป็นไปกับไม่รู้เรื่อง มันก็มีเจตนาอยู่แต่เพียงว่าคำว่าเจตนามันมีอยู่แต่เราจะจำได้หรือไม่คนละเรื่องใช่ไหมไอ้เจตนามันมีอยู่ใช่ไหมเจตนามันเด่นตัวอื่นมันเด่นแต่ไอ้สัญญามันไม่เด่นก็ได้ความจามันไม่เด่นสติไม่เด่นอย่างเงี้ยแต่ตัวอื่นมันเด่นนะเนี่ยแต่เราบอกว่ารเราไม่มีเจตนาะไอ้เจตนามันมีอยู่นะ ก็ใช่ไงสภาวธรรมทั้งหลายมันจะทําหน้าที่แต่นี้เจตนามั น, นอาจจะเป็นการในกรณีที่ว่าไอ้ตัวการอื่นมันไม่เด่น mm hmm. เช่นความจำไม่เด่นความความหลงมาเด่นแทนมันก็เป็นเจตนา น, นั่นเองมันก็ยังทําเรื่องนั้นอยู่หรือมันมีข้อบกมันมีอย่างยกตัวอย่างเช่นเรามีเจตนาจะยิงอปืนเนี่ย ยิงขูแจะไปถูกเขาตายแล้วก็บอกฆ่าคนโดยไม่เจตนาไอ้คาพูดอย่างเงี้ยพูดมีส่วนเหลือฆ่าคนโดยไม่เจตนานั้นถูกใช่ไหแต่มีเจตนายิงปืนไหม ม, มีมีเจตนายิงปืนมีเจตนาขูมีมีเจตจำนงความจงใจตั้งใจจะให้เ็ากลัวมี แต่ไม่ได้มีเจตนาฆ่าเขาหรืออย่างมีคนอยู่เนี่ยมีพ่อเราอยู่ด้วยมีโจนกำลังจับพ่อเราอยู่ด้วยเรามีเจตนาจะฆ่าโจนเนี่ยยิงปืนตูมไปให้ถูกพ่อยังไม่ตอบก่อนนี่บอกเนี่เนี่ยเดี๋ยวจะยาวไปใหญ่ ก็แยอๆแยหมดก็มีเจตนาอิจฉานั่นหแหละเขาก็าขโมยหามันกินเขาไม่รๆๆมู้ก็ว่ากันไปมนุษย์ก็มีปฏิกิริยาในการที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะยกตัวอย่างเวลาเกิดความโกรธเกิดความผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยในชีวิตเนี่ยโดยมากเราจะยอมรับว่าเราเป็นคนทำผิดพลาดหรือคนอื่น ต้องคนอื่นอยู่แล้วโดยมากแล้ว็ผักให้กับคนอื่นเนี่ยที่ผมเป็นอย่างเงี้ยผมต้องมาเครียดต้องมากุ้มมาทุกทุกวันเนี่ยเพราะคุณนั่นแหละทาเนี่ยโทษต้องโทษคนอื่นก่อนใช่ไหมฮะ ม, มนุษย์เนี่ยมันจะเป็นลักษณะอเงี้ถ้าไม่มีใครทําก็กรรมแนอดีตเนี่ยเป็นกรรมเก่าถ้าไม่ใช่กรรมเก่าก็เทพเจ้าโดนบรรดาลถ้าไม่ใช่เทพเจ้าโดนบันดาลก็นั่นแหละดวงจันทร์ดวงดาวดวงอาทิตย์ มันโชคไม่ดีใช่ัหมเป็นอย่างนี้ใช่ั้มเนี่ยมนุษย์เป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรพุทธยาวยังบอกมิจฉาทิถิงเยนี่คือความเห็นผิดสุขทุกเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสมหวังผิดหวังที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะโทษตัวการอื่นเป็นตัวทำในความเห็นอย่างนี้เป็นมิจฉาทิถิพระเจ้าต้องมาแก้ปัญหากับคนเห็นอย่างงี้เต็มไปหมดในโลกใบนี้ เนี่ยฉันสุกฉันทุกเนี่ยมันไม่ใช่ตัวฉันทําเลยตัวการอื่นเป็นตัวทำบอกงั้นเถอแล้วไปไปมาก็บอกสุขทุกฉันทําเองไปบอกว่าฉันทําเองก็ไปเห็นเป็นสัตว์บุคคลเป็นผู้ทําอีกสัตว์สุขทุกเนี่ยไม่ใช่ฉันทําตัวการอื่นเป็นตัวทำเพราะไอ้ตัวนั้นมันดับไปแล้วหมดไปแล้วก็ปฏิเสธอีกปฏิเสธปฏิเสธกรรมคือการกระทําอีกก็โหอีกเยอะแยะหมดในรายละเอียดถ้าพูดเรื่องนี้พูดกันถึงวันไม่จบ มนุษย์มันถึงสับสนตัวมันเด้งมากมไม่เข้าใจเรือใช่ไหม <c oughs> ทั้งๆที่เขาก็ไม่มีเราก็ไม่มีนี่แหละมันเป็นสภาวธรรมที่ดําเนินไปอยู่พอพูดถึงสภาวธรรมก็เข้าใจแบบเป็นช่วงๆอีกงั้นก็ตัวการอื่นเป็นตัวทําก็แล้วกันไอ้ตัวการทําดับไปแล้วไอ้ตัวการใหม่มันโผล่ขึ้นมาเนี่ยโอ้สวยจริงๆไอ้ตัวทําไม่ได้รับผลไอ้ตัวรับผลไม่ได้ทํามันปลาใหญ่เลยแตเนี้ยเราเห็นไหมที <c> ่ <oughs> ไม่ได้ลึกหรอกแต่เราไม่ค่อยตามฟังถ้าฟังแล้วมันจะไปลึกยังไงแต่๋ยวมนุษย์เราก็เลยโทษสิ่งอื่นชดไมไ้มเนี่ยที่มันจนมาอยู่ตรงนี้ที่ฉันต้องมาป่วยมาอะไรต่างก็พวกเรานี่แหละนี่คือตัวการอื่น ไอ้ที่ร้อนๆก็ไม่ไปอ ย, อยู่ไม่อยู่ที่อยู่ที่หนาวไม่ป่วยได้ยังไงเนี่ยนี่ยโทษตัวการกันก็นนไปจริงไม่จริงเป็นเนี่ยมองไปมาเหมือนพวกอัตมกิร่าฐานถาพโยกไว้เนี่ยเจ้าตอรมานตนเองว่าใหญ่ใหญ่เลยนะ้นไ่คิดอย่างเงี้ยเขาใจอย่างเพราะไม่เข้าใจกระบวนการทั้งหลายเลย นี่ก็คือพูดในเรื่องของตัวกรรมนั่นถ้าไปเจาะในรายละเอียดก็จะเห็นอะไรอีกเยอะมากเห็นว่าทีนี้พอพูดถึงในเรื่องของเจตนาในเรื่องกรรมก็มีสองส่วนเมื่อกี้เข้าใจแล้วนะว่าเวลาจะพูดถึงในเรื่องของการที่เป็นกรรมจริงๆเนี่ยเป็นกุศล เป็นอกุศลกรรมหรือเป็นกุศลกรรมเกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องอาศัยองค์ประกอบองค์รวมเยอะไม่ใช่ตัวเดียวดังนั้นกรรมจะสำเร็จมาทางกายทางวาจาและทางใจได้เนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบของกลุ่มกุศลถ้าพูดตามศัพท์เลยก็เรียกกุศลจิตตุบาบาทกับอกุศลจิตตุบาบาทไปเไเจอศัพท์นแล้วค่อยๆใช้ศัพท์ไปเดี๋ยวเราก็จะคุ้นเคย จริงนะร้ไหมคําว่ากุศลจิตุปบาทหมายถึงอะไรก็คือการเกิดขึ้นนืตุปบาท ต, ต่เนี้ยอุบบาทเนี่ยอุ ป, ปาทาเนี่ยก็คือการเกิดขึ้นของกุศลกุศ ล, ลกรรมเนี่ยไม่ใช่ตัวเดียวเป็นกุศลกรรมได้ไม่ใช่ตัวเดียวเป็นอกุศลกรรมได้ แต่อาศัยองค์รวมหลายๆอย่างมาผสมกันจึงเป็นกุศลรกรรมและเป็นอกุศลกรรม <S <S เหมือนสาลาเนี่ยที่เป็นสาราได้เนี่ยไม่ใช่ใบองประกอบชิ้นเดียวเป็นสาราได้ที่ไหนเล่าใช่ไหมต้องมีองค์ประกอบเยอหมดเลยเนี่ยรวมกันจึงเรียกว่าศาลาได้ไม้ชั้นใดการจะสําเร็จเป็นกุศลกรรมและอกุศลกรรมเนี่ยเป็นบุญและเป็นบาปได้ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายส่วนรวมกันจึงเรียกว่าเป็น กุศลและอกุศลได้จึงเรียกว่ากุศลจิตตุวบาทและอกุศลจิตตุวบาท <laughs> <laughs> นี่ชัดแล้วตีนี้เอาว่ามา แต่พูดถึงตัวสภาวธรรมเนี่ยสติเนี่ยสติเนี่ยจะเป็นโสภณะธรรมสติจะเป็นไปกับกุศลเท่านั้นจะไม่เป็นไปกับอกุศลแต่ถ้าไปพูดตามเนยักของพระสูตรก็จะมีสัมมาสติกับมิจฉาส ต, ติตัวสัมมาสติก็หมายถึงสติที่เป็นไปกับธรรมระลึกชอบ ระลึกในสิ่งที่เป็นกุศลในขณะนั้นกุศ ล, ลจิตก็เกิดขึ้นถ้าเป็นมิจฉาสติเนี่ยหมายถึงกลุ่มอกุศลเลยแต่เอากลุ่มตัววิตกทั้งหลายเนี่ยมาเป็นตัวขับเคลื่อนในการร ะ, ะลึกบาประลึกเบียดเบียนรละลึกไปในกรารมคุณระลึกในการที่กโกรธเครียดทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยการระลึกแล้วก็เกิดความกโกรธความเครียดความวิตกกังวลเกิดความกลัวเกิดความเศร้าหมองแห่งใจเกิดขึ้นนีเรียกมิจฉาสติ เป็นอกุศลจิตตุบบาบาทไปดังนั้นเราพอพูดถึงในด้านของสติตามสภาวธรรมจริงๆแล้วตสติต้องเป็นไปกับอกุศลแต่ถ้าพูดตามในยถาพสูตรก็อย่างที่บอกนั่นแหละเป็นมิจฉาสติก็ได้เป็นเลิกในสิ่งที่ผิดลเลิกในบาปแล้วก็ใจก็เป็นบาปด้วยอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเลิกถึงบาปแล้วใจเป็นบุญนั้นเป็นสตินะก็แยกให้ออกทีนี้ว่าพอพูดถึงสติเมื่อสระครู่บอกว่าตัตระมชิตตา ตัวตรรมชตตาเนี่ยเป็นตัวอุเบขาเจตสิกแต่ตัวสติเป็นคนละตัวตัตธรรมะเชตตาเนี่ยตัวนั้นน่ยมันหมายถึงตัวปรับสภาวธรรมให้ได้ดุลยภาพเป็นตัวปรับความสมดุลของสภาวธรรมการวางใจเป็นกลางการปรับมันต้องมีตัวเนี้ยมีสภาวธรรมตัวนี้มาคอยปรับปรับศรัทธายังไงปรับปัญญายังไงปรับสติ สมาธิปรับความเพียรปรับสภาพวธรรมอะไรให้มีให้มีความสมดุลกันอันนี้อีกตัวนึ่งก็ไม่รู้ว่าเมื่อกี้ถามเรื่องเมื่อกี้ก็พูดถึงในเรื่องของคําว่ากรรมนะที่มีความหมายโดยตรงนั้นเนี่ยก็เป็นทั้งกุศลอกุศล การเกิดขึ้นของอกุศลและจิตเรียกว่าอกุศลจิตตุปบาทการเกิดขึ้นการของกุศลจิตเรียกว่ากุศลจิตตุปบาทเพราะการเกิดขึ้นของเขามันต้องมีองค์รวมเกิดขึ้นเหมือนการเกิดขึ้นของสลาต้องมีองค์ประกอบเยอะจึงจะเป็นสลาการเกิดขึ้นของรถของแม้องคาพยพของร่างกายก็ต้องอาศัยองค์รวมใช่เอาใบหูมาชิ้นหนึ่ง บอกเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยใช่คนไหมไม่ใช่ยังนับว่าเป็นคนก่อนไม่ได้ก่อนเพราะมีแค่ใบหูใช่ไหมต้องเอาหลายๆอย่างมารวมกันทั้งหมดทั้งผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกทั้งหลายรวมกันเบ็เสร็จจิงๆรียวอ๋อนี่เรียกว่ามนุษย์นี่คนนี่อย่างนี้เป็นต้น <c oughs> ององรวมไหมเนี่ก็เรียกถ้าบอกกุศลจิตวิบากอกุศลจิตวบา ท, า ก, ก, บบาทก็หมายถึงพูดทั้งจิตทั้งเจตสิกพูดทั้งรูปพูดทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณ กูกลุ่มนาวมาทำทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดนี่แยกเป็นฝ่ายกุศลและกุศลนะต้องแคกกันเพราะสองอย่างนี้เป็นไปคนละอย่างดีไหมพูดเรื่องนีนะ้ทำให้เข้าใจอะไรเยอะขึ้นไหมหรือทำให้ยุ่งยากมากขึ้นนะจริงๆเป็นสิ่งที่สำคัญ พะเนี่ยเราทำทุกวันจำเป็นต้องรู้ไหมจก็ถูกแล้วก็เหตุใกล้ของเขาก็พรกเวทนาสัญญาแล้วก็วิญญาณ ใช่ไหมล่ะเมื่อกี้อธิบายไปแล้วบางทีเราก็อยากเห็นอะไรขึ้นมาสักชิ้นนึงโอ้โหทำใหญ่เลยใช่ไหมเคยไหมเราอยากจะเห็นพระพุทธรูปงามๆโอ้หมีเจตนาทำใหญ่ปั้นนี่อยากจะได้เห็นไหมอยากเห็นแค่อยากเห็นนี่โอ้ เป็นเหตุใกล้กัเจตนาจริงๆนะบางทีเราก็อยากจะได้ลูกเราที่มีนิสัยดีโอ้ยเตือนใหญ่สนะั่งสอนใหญ่แน่นอนอยากจะได้ลูกแบบนี้ใช่ไหมพยายามบอกกล่าวทุกวา่าทุกวันอยากจะได้เจตนาดี คือเจตนามันจะเกิดออมันจะเกิดตลอดมีเจตจำนงตลอดและเจตนาเหมือนความจ้งตั้งใจนี้เล่นในขณะเดียวกันเมื่อตั้งใจแล้วไอ้เจตนานั้นก็กระตุ้นบ่อยทุกครั้งทุกครั้งที่ทํากิจกรรมต่างๆเจตนาก็ทากิจตลอดไม่เคยหยุดเลยถูกต้อง ดับก็เลื่อยแต่ว่าเจตนานี่เขาจะเมื่อมีเจตนาจะพ้นทุกข์เป็นเจตนาดีหรือไม่ดีปัญญาถึงไว้ก็ต้องไปกระตุ้นปัญญาแต่จะกระตุ้นปัญญาให้เกิดก็ต้องเข้าใจว่าจะทำยังไงจะทำให้ปัญญาเกิด ไม่ใช่บัญญาอย่างเดียวต้องกระตุน้นศรัทธาต้องกระตุ้นความเพียรต้องกระตุ้นสติต้องกระตุนตตนต้นสมาธิโอ้โหอีกเยอะเลยนะต้องกระตุ้นวากุศลธรรมทั้งหลายมเมตตากรุณาโอ้ยต้องกระตุ้นอีกเยอะหมดแหละ ว, ว่างั้นเดี๋ก็เราประหลาดถนาจะพ้นทุกก็ต้องสร้างองค์ประกอบแห่งกุศลธรรมให้เยอะๆมีกิจกรรมที่ต้องให้เจตนาทํางานอีกเยอะมาก ใ, มในขณะเดียวกันก็มีเจตนาตัดรอนบาปให้มาก อะไรที่มันเป็นบาปเป็นอกุศลก็เจตนาในการจะตัดร่อนบาปเหล่านั้นออกไปเรื่อยๆดีไห<ด>มเอออย่างนี้แหละเขาเรียกเจตนาใช่ไหมเจตนาอย่างเดียวไม่พอต้องมีความเข้าใจยนบางคนก็อยากได้ดีกันทั้งนั้นตั้งสักครั้งเดียวแล้วก็หยุดขาไม่ไปเลยนะใช่ไหม ทีนี้เจตนามีหน้าที่สองประการเนี่ยสังวิธาน ก, กิตกับพีชานิธาน ก, กิตอ่แปลหน่อยสังวิธาน ก, กิตก็คือการจัดแจงปรุงแต่งให้กรรมสาเร็จลงการจัดแจงปรุงแต่งให้กรรมสาเร็จลงคาว่ากรรมเนี่ยเป็นกุศลหรืออกุศลไม่เป็นได้ทั้งสองเข้าใจนั้นนแต่โดยส่วนใหญ่เวลาเราเจอสิ่งที่ไม่ดี ทำให้เราชีวิตเราตกละกรรมลำบากตกทุกข์ได้ยากเราจะบอกว่าเป็นกรรมของเราใช่ไหมพอประสบความสุขความเจริญไปมาบอกว่าเป็นบุญของเราเนี่ยบุญกับกรรมดันไปเอาไปคู่กันทั้งทั้ ง, ท, ง, ท, งที่มันคู่กันไหมบุญต้องคู่กับต้องข้ามกับอะไรต้องข้ามกับบาปใช่ไหมล่ะกุศลมันต้องข้ามกับอกุศลใช่ไหมกรรม นันไม่ได้ไปตรงข้ามกับใครนี่ล้วเอากรรมไปตรงข้ามกับบุญซะนี่โอ้เป็นบุญของเขาเป็นบุญของเราแต่๋ยวพอเจอเราความลําบากแล้วบอกโอ้โอช่วงนี้เป็นกรรมของผมยังอาาย่างไรม่รู้เป็นกรรมอะไรใช่มแล้วแล้วก็ถามไปทําบาปเดี๋ยวเมื่อไหร่ก็ตอบก็ไม่ได้อีกใช่ไหม นี่มันไม่รู้พูดเดยก็ไม่รู้กันนี่มันลําบากตรงเนี่ยไม่ทาอะไรมาไม่รู้ไม่รู้แล้วรู้ได้ยังไงเป็นบาปที่ทําไว้ใช่ไหมล่ะไปทําอะไรมาก็ตอบไม่ถูกเนี่ยมันเป็นกรรมของผมผมก็จะชดใช้ไปนึไปกู้เมืองเด้เมื่อไหร่ ไปยืมก็มองเดีเมือ่อไหร่จะใชะ้แล้วจะหมดเมื่อไหร่ไม่รู้ใช้ไปแล้วเท่าไหร่ไม่ทราบก็อย่งงยังหลงหลงงมงมงง่ายๆไปนี่แหละใช่ไหมแล้วพูดอย่างนี้ก็ปอบใจตัวเองก็งั้นเนี้ยถ้าจริงกล่อมความไม่รู้ตัวเองให้ไม่รู้ต่อไปเ <c oughs> <c oughs> กล่อมความไม่รู้ให้ไม่รู้ต่อไป อันเป็นงั้นจริงไหมจกล่อมไ ะ, ะกล่อมความไม่รู้จะพูดปอบโยนให้โมหะ <c oughs> อยู่กับเราต่อไปแล้วก็ต่อไปก็ไม่รู้แล้วก็ต้องไปถามๆเป็นอย่างนี้หมดเละฉันต้องทนอยู่กับไอ้คนเนี้ก็ทนทนใช้กรรมไปจนกว่ากรรมจะหมด <c oughs> เออพูดดีนี่เวลาพาฟังโอ้น่าฟังเข้าใจพูดหลอ่อหลอมความไม่รู้กล่อมความไม่รู้เนอาใจความไม่รู้ไอคนฟังก็ไม่รู้ใช่ไ้ยก็นึกว่าเออก็ทนไปใช้กำรรไปเน า, างนงี้ ฉันก็ใช้กรรมไปเหมือนกันเนี่ยฉันก็ยังต้องชดใช้อยู่เลยว่าไงโอ้เธอสบายเธอไม่ต้องชดใช้อะไรมากมีการอีกคนหนึ่งชดใช้น้อยอคนหนึ่งชดใช้มาก <c oughs> เห็นไหมไอ้ที่มันนอนไม่หลับเนี่ยเ <c oughs> ห็นไ้มมันเป็นกรรมเก่าเลยท่า <c oughs> หรือว่าพระเจ้าสร้างโดนบันดาล หรือว่าโชคชะตาวาสนาดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มันโครจรมาผิดวิถีมันเลยเป็นเพียเป็นผลทำให้เรานอนไม่หลับนั่นเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะปัจจุบันกรรมของเรานี่แหละมันตั้งเจตนาไว้ผิดใช่ไหมล่ะนี่เลยกลายเป็นคนแบบนี้เนี่ยกลายเป็นประโยค้าของเรานี่แหละมันวิบัติไม่เข้าใจคาว่าประโยค้าอีก โยคาแปลว่าอะไรเพียนผิดประกอบผิดเห็นไหมว่าจริงๆเราก็ไม่เข้าใจเรื่องแต่ก่อนเป็นที่ไหนลงนอนไว่หลับตอนสมัยเป็นเด็กหญิงคนนั้นหลับสบายใช่ไหมแม่ตีไงก็ไม่ตื่นตื่นขึ้นมานอนต่อใช่ไหม พอตั้มดาโต้ขึ้นมาหน่อย ท, ทัดาเ น, นี่นอนม่หลับอนี้นอนยากเลยต้องไปผ่อนคลายนับหนึ่งนับสองอันนี้เด็กก่อนไม่เห็นเป็นเลยอ่ะใช่ไหมเด็กก่อนมีเป็นไหมไม่เป็นเลยตูมก็ไปหลับไม่รู้เรื่องรู้ราวลุวลกขึ้นมาเดินลมงมากรส่งโอ้ตายเดนี่วัง ท, ที่ตันมดาใครว่านิดว่าหน่อยก็ไม่ได้เดนี เครียดโกรธเขาไม่เห็นของเราไม่ให้ความสําคัญเรานี่ยเขาเป็นใครยังไม่รู้จักเราเราทําประโยชน์กันนะสบายใหญ่ใช่ไหมโอ๊ยตายเลยเดยนี้เนี่ยปัจจุบันกรรม น, นี่นะเจตนาในปัจจุบันเนี่มันเป็นใบกระตันหาเป็นใบกระมานะเป็นใบกระทิฐิเป็นใบความยึดถืออัตตาตัวตนมันมากขึ้นความสําคัญตนมากขึ้น ศึกษาพระธรรมก็ไม่หลุดแกะยังไงก็ไม่ออกจะนับถือพระเจ้าก็นับถือแบบเป็นดุ้นดุนบอกับพระพุทธเจ้าคืออะไรไม่รู้อีกใช่ไหมอะไรคือพุทธะไม่รู้เลยไม่ยึดเลยเอาละนี่แหละพระพุทธเจ้านี่แหละยืนยืนนั่งยืนท้องเหลืองห้มห้ม อ, อยู่เนี่แะนี่แหล ะ, หละพระพุทธเจ้าโอ้<笑><笑> ใครว่าทุสไลา์ไม่ได้เลยนเนี่ยโกรธตายเลยใช่ไหมเขารบมากเขาไปเห็นคนบางคนเขาไปกาบไอ้ผ้าสามสี่มัดกระสนเสางมง่ายสู้เราไม่ได้กาวทองเหลืองอใช่ไห้ยิงไงจริงแล้ ว, ลวลเวลาหล่อพระพุทธรูปเสร็จก็ยังมีทําวิธีเบิกเนต ร, รด้นะ เบิกนี้จใช่ไหมค่าตัวแพงเนื่นะเบิกเนี่ยใช่ไหมเบิกเนี่ยถ้ายังไม่เบิกยังไหว้ไม่ได้ก่อนเพราะเป็นเพราะรูปที่วางไว้ตามร้านค้าเดินข้ามงินไปข้ามกันมายังไม่เคารพยังไม่ทําพิธีพอทำพิธีเสร็จโอ้โหนี่เนี่ยทำพิธีแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ <st arts> ใช่ไหมกดเป็นหรือเปล่าก็ดูดิบางทีที่ตั้งอยู่ตามร้านอะไรก็ ล, ละเกะระกะเต็ไมไปหมดใช่ไหไอ้เจ้าของร้านก็ไม่นับถือใช่ไหมข้ามไปก็ข้ามมายังต่อรองราคากันอยู่นี่เท่าไหร่เนี่ยนิ้วห้าหมื่นหกหมืน่นแสนหนึ่งแสนห้าสองแสนว่าไป <atra ff s> ยังไม่เคารบก่อนพ <st arts> อเอามาเป็ดเสร็จปุ๊บมาทําพิธีเบิกเนธเสร็จปุ๊บอ้พระเจ้าสิงเลยตอนนี้พระเจ้าเข้าสิงแล้ว <g ül üyor> ทำอุทําพิเศษแลเพิ่งมาตอนเนี้ยเพุทธาเพิ่งมาตอนนี้ตอนนั้นยังไม่มาก่อนใช่ไหมเนี่ยความเข้าใจมนุษย์เป็นขนาดนั้นเนีไหวไหมเนี่ยพอจะพลิกฟื้นปัญญาให้เกิดขึ้นมาศรัทธาให้เกิดขึ้นมาความเข้าใจให้เกิดขึ้นมาเนี่ยพอจะทํางานทํากิจกรรมในการที่จะจากพุดเพี้ยนเป็นพุดแท้เนี่ยจะทําไหวไหม เอาเราก่อนอาถามตัวเราไหวไหมเออเอาตัวเราให้มันเป็นพุทธแท้ก่อนเนี่ยออกจากเพี้ยนสู่ความเป็นพุทธแท้เนี่ยไหวไหมไหวไม่ไหวที่ yeah. Yeah. <c oughs> เรีนอย่างนี้ฟังแล้วน่าหนักใจไหยน่าหนักใจไหม <c oughs> น่าหนักใจใช่ไอม เดี๋ยวก็เนี่ยเดี๋ยวเห็นบอกว่าเนี่ยที่คุยคุยเสร็จได้ขา่าวจะต้องไปทำ ง, งานพืทาพิเศษอีกไหพอไปก็ไปนั่งเงียบเนี่ยไปเอลวายๆเดี๋ยวเขาวาวยก็ไปนั่งเขาบ้ากันหมดแล้วนีไ่ไปทําเป็นถ้าเราไปเกิดไปทําดีเหมือนคนเป็นคนไม่บ้าเขาเขาหาว่าเราบ้าใช่ไหมถ้าสิบคนเนี่ยเขาเพี้ยนไอ้คนดีคนเดียวไอ้คนดีต้องทําเพี้ยนํามเขาไหม ทั้งนั้นอยู่ในโลกเขาได้ไหมเนี่ยออยู่ในโลกก็ยากงั้นให้มันเพี้ยนแบบรู้ตัวบ้างเหันเพี้ยนแบบรู้ตัวบ่ะใช่ไหมแป่อย่าลืมนะอยู่ไปอยู่มาเนี่ยไปไปมามามันเรากับกายเป็นเพีย้ยนครบคนเช่นไรมันเป็นเช่นนั้นเราไปไปมาเราก็คิดอะไรไม่ออกก็ไปกับเขาป้เาเขาให้ทำอะไรก็ทำ ยั็ไปถามบอกเอ๊ะเวลาเบิกเนตรเนี่ยก็สวด<ว>บทไห น, นอิติปิโสพราวาใจได้โชกการเลยนี่นนิธีเบิกเนตรเนี่ยก็ใช้อิติปิโสพราวานเนี่ยก็ทำพิธีนั่นเลยเขาไป ทำพิธีเบิกเนีตยไปทำองค์ที่ท่านไปทํวาวิธีรบเหมือ๋เป็นพระดังที่มนต์ไปทำหลวงพ่อใช้บทไหนอิติปิโสเปล่าเอ้าแล้วทำไมต้อ ง, ต, องต้องไปดีมนต์หลวงพ่อมาผมก็สวดได้ก็มไม่รู้แล้วมันมืนเหรียญมันมนีมน่มนต์แล้วก็ไม่บอกด้วยนะองค์เนี้ยกินเงียบอยู่นี่นแหละใช้บทไหนไปทําท่านั่งเงียบเงียบคนก็นึกว่าขังดลใช่ไหมท่านไม่บอกความจริง ก็บอกความจริงนี่ยอมันไม่มีอะไรลัวนี้มันไม่เรื่องเปิดหรือไม่เปิดเนตอะไรหรอกนี่เป็นสัญลักษณ์ในช่างที่เขาปั้นมาเพื่อให้เราเข้าใจพุทธคุณเนี่ยมีมหาบุริสารขณะยังไงยังไงก็ว่าไปมีพระเนตรอย่างนี้มีพระการอย่างนี้มีพระนาเสกอย่างนี้มีรํพระออย่างนี้มีริมพระโอษอย่างนี้อย่างเงี้ยนะมีพระมีพระพาหาอย่างนี้มีพระชงอย่างนี้มีพระวรกายแบบนี้ก็ว่าไปใช่ไหม ที่มีแบบนี้แบบนี้มาจากกรรมอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าก็ว่าไปทำกรรมอย่างนี้จึงได้รูปอย่างนี้เงี้ยให้คิดถึงพุทธคุณ <c oughs> นี่ยอมไปเรื่องศักดิ์สิทธิ์หมดแล้วเนี่ย <c oughs> เป็นผู้วิเศษไปแล้วคนละเรื่องอีกแล้วไปไ ป, ไปมายมก็ไปร้องขอกันที่แต่เนี้ยไปถึงก็ เ, เจะพุทคุณ <c oughs> ขอให้พระพุทะเจ้าดลบรันรดาลให้ครอบครัวเข้าไปเจ้าอยู่เย็นเป็นสุขเถอะขอเข้าไปเจ้ารวย ห้เขเจ้าทำมาค้าขายทาค้าขึ้นแล้วก็ว่าไปรประเทศไทยเราเนี่ยตอนนี้เศรษฐกิจแย่แย่แย่ทั้งขอได้อย่างนี้ก็มันก็ต้องเป็นประเทศมหาอำนาจแล้วใช่ไหมแล้วก็ไปตั้งไว้ที่กระทรวงพาณิชย์เนี่ยจะได้ค้าขายดีใช่ไหมมันก็ไม่ได้ขอได้ที่ไหนหรอจริงๆจริง เยนี้พูดโจมตีมากแบบก็คือให้ให้เข้าใจว่าเดี๋ยวนี้ไปกันมากแล้วไม่รู้จะ ก, ก, กลับหรือเปล่ากลับไหวไหมเนี่ยตไปกั น, ปกนเป็นฝูงทีนี้พวกเราดี่พอเข้าใจแล้วได้ปัญญาก็จะมั่นคงอ้ตัวปัญญานี่แหละทำให้มั่นคง ใช่ั้ยความเข้าใจนี่ก็เกิดความมัน่นคงทำอะไรก็เกิดความรู้ความเข้าใจเห็นอะไรก็ศึกษาได้หมดเลยเมื่อไหร่ชาพุทธจะเป็นอย่างนี้สีใช่ไหมชาพุทธธาตุนี่เป็นจื่งปัญญาเนี่ยปัญญารู้ความจริงแตรรู้ความจริงความจริงมีหลายระดับนี่ใช่ไหม <c oughs> พูดมาังเจนจะตายแล้วมันน่าจะกว้างทั้งนานแล้วใช่ไ้วพูดมาเจนจะตายแล้วเจนจะหมดอายุไขแล้วพูดแล้วพูดอีกทีนี้ที่จริงพูดไม่ได้เครียดอะไรนะพูดแล้วก็ดูสนุกดีคําว่าสนุกในที่นี้ก็เออบันเทิงทําให้เห็นเห็นตัวเองใช่ไหม เนตัวเองว่าโอเข้าไปในพิธีกรรมต่างๆตัวเรารีบเข้าไปเลยใครเป็นไหมตัวรีบเข้าไปเลยทีนี้พอเรากลับไปดูคนที่เขาก็ยังกําลังเป็นอยู่เราจะคิดยังไงเออคิดกันรู้าเขาเนะพอไปไปมาเวลาเขามาชวนเขาไปเราไปร่วมกิจกรรมตรงนั้นแล้วก็ให้เหตุให้ผลเข้าไปใช่ไหม จะไปไปมาเขาจะมองว่านี่มินไม่เชื่อใช่ไหยเนี่ยไม่เชื่อไปนั้นคำว่าสังวิธานกิจก็คือการจัดแจงพรงแต่งให้กรรมนั้นสำเร็จลงประการที่สองพีชะนิทานกิจก็คือการเก็บเชื้อของกรรมไว้รอโอกาสส่งผลถกรรมมันจะมีสองส่วน เวลาทำกรรมแต่ละครั้งเนี่ยหนึ่งเมื่อทำกรรมที่เป็นกุศลกรรมอกุศลกรรมเนี่ยนะทำบุญและทำบาปเนี่ยมันสมฤทธผลลงกรรมมันจะทำให้โวตแบบนี้ทีนี้เวลามันสาเร็จเป็นกรรมแล้วเนี่ยมันจะมีตัวเก็บเชือ้อก <c oughs> ็เรียกว่าเก็บเชื้อของกรรมไว้รอโอกาสให้ผลเอาเจตนาทำกุศลวันนี้ เราทํากุศลกันทำกันอย่างต่อเนื่องนีนะเออไอทำกุศลตรงเนี้ยไอกรรมคือกุศลกรรมเนะี่ยมันเก็บเชื้อเพาศ ม, มันเก็บเชื้อไว้เรียบร้อยแล้วรอโอกาสแห่งการให้ผลเมื่อได้โอกาสได้จังหวะเมื่อไหร่ได้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเมื่อไหร่เนี่ยโอกาสแห่งการบรรลุมรรผลมันจะเกิดมันไม่ใช่อยู่ๆแล้วไม่ได้สร้างเหตุปัจจัยในวันนี้เลยปุบ๊บมันกระโดดไปบรรลุเอง <laughs> เขามองเห็นไหม แม้บาปก็เหมือนกันเวลาทำทำทำทำทำไปเนี่ยมันยังไม่ผลิตวิบากตอนนี้หรอกยังไม่ผลิตผลตอนนี้ก็ได้มันประเภทหนึ่งก็คือมันต้องรอจังหวะรอโอกาสรอเวล า, วลาพอได้จังหวะโอกาสและเวลาขึ้นมามันก็ผลิตวิบากทําให้ไปเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างเปรตบ้างสุรกายก็บ้างกุศลก็รอวิบะรอผลรอเหตุปัจจัยทําให้ไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นผมว่าไปเนี่ยนะ เนี่ยกรรมทั้งสงส่วนทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรมมันจะลองการให้ผลแบบนี้แม้การเจริญตามศีลสมาธิปัญญาจากในน้อยคลอยตามที่จะเพิ่มศีลสมาธิปัญญาให้ยิ่งใหญ่ขึ้นไปเนี่ยสักวันหนึ่งจากการเก็บสะสมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไอตัวกุศลมันได้จังหวะได้โอกาสเมื่อไหร่ยกตัวอย่างเช่นวันนี้ฟังธรรมเนี่ยฟังธรรมในครั้งนี้แหละต่อมากระแสชีวิตเราก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปในสังสารวัตร ไปวันหนึ่งเนี่ยไปเจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตพระเจ้าพูดเรื่องกรรมปุ๊บเราโอ้โหทะลุทะลวงทันทีตัดสุลุในเรื่องกรรมน เ, เนี่ยอย่างเงี้ยนะเข้าใจทะลุทะลวงเลยเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราสร้างเชือ้อเพราะเชื้อพันความเข้าใจตรงนี้ไว้แล้วพอไปได้เหตุปัจจัยขึ้นมาไม่มื่นงงเหมือนคนอื่นอย่างเร า, าตอนนี้บางคนฟังแล้วงงเลยเอ๊ะอะไรมะกรรมเนี่ยสังวิธาน ก, จากิจจ่าพีช า, านกิจจ่าฟังแล้วงง ใช่ไหมไม่งงได้ไงในอดีตยังไม่ได้สร้างสมตรงนี้มาใช่ไหมเฮ้ยต้องรีบสร้างสมแล้ววันนี้สร้างสมเก็บเชื้องกรรมไว้เก็บความเข้าใจตรงนี้ไว้พอไปได้เหตุปัจจัยอีกทีโอ้โหตอนนี้ยพอฟังปั๊บขึ้นมาคนอื่นยังงงอยู่เลยเราแวบอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยมันดีตรงนี้แหละมองเห็นไหมมันเป็นทั้งสองส่วน การเก็บมันไม่จางหายไอแปก้งไอตัวบาปหรือตัวกุศลและกุศลเนี่ยโอช่ยมันไม่หายมันเก็บเชื้อมันไว้อยู่เออมันจะหมดก็ต่อเมื่อต่อเมื่อพ้นจากวัฏทุกกระแสชีวิตมันดับโดยปริณีพา น, นไอกรรมตรงนี้ก็อันตรธานไปทันทีเลยเชื้อมันเนี่ย นั่นเราพอเชื่อพวกนี้ไปมากมากจริงๆต้องเชื่อดีและไม่ดีอย่าไปอยู่ถ้าไปเกิดใหม่ไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเนี่ยโอ้โหเป็นตัวนําเลยนะเราเขานําเราอยู่แป๊บเดียวเนี่ยเขานี่คิดได้หมดเลยบาปนี่เป็นตัวนําก็เลยพาเข้าออร้านสุราสถานที่ท่องเที่ยว โ, โหยไปเนี่ บ, บเลย ขนาดนั้นเลยตัวกุศลก็เหมือนกันได้เหตุปัจจัยก็ไปอีกเหมือนกันมองเห็นอยังได้เนี่ยมีอยสองส่วนสังวิธานกิจใจคือเจตนาในขณนะที่ประกอบกับจิตดวงใดดวงหนึ่งเนี่ยเขาก็จะทํากิจนะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างให้สําเร็จลงก็หมายความว่าถ้าประกอบกับกุบกบกศลหรือโลกแยกกุศลปุ๊บก็ทํากิจสองอย่างให้สําเร็จไปพร้อมๆกัน ทั้งสังวิธานกิจและพีชานิธานกิจก็คือหนึ่งเขามีการจัดแจงทำให้กรรมนั้นเนี่ยสำเร็จลงเป็นกรรมได้สองเมื่อสำเร็จลงเป็นกรรมแล้วเขาก็เก็บเชื้อของกรรมนั้นไว้รอโอกาสึงการส่งผลที่จริงก็ให้ผลในปัจจุบันก็ให้อยู่แล้วบางส่วนจะเป็นที่ในส่วนของศาชาตกรรม嘛ใช่ไหมเวลาเราคิดกุศลตอนเนี้ยสภาพจิตใจเราทั้งศรัทธา ทั้งความเพียรทั้งสติทั้งสมาธิทั้งปัญญาจิตที่ไม่มีโรคจิตที่แข็งแรงตั้งมั่นไม่หวั่นไหวจิตที่อาถรรพ์จิตที่แกล้วกล้าจิตที่ไม่มีโทษจิตที่ไม่มีของเสียเป็นจิตที่สะอาดเอี่ยมอ่องผ่อ ง, ผองแผ้วไม่มีมลทินเป็นจิตที่เป็นไปกับความสุขสมนัสปราโมทศรัทธาเลื่อมใสเป็นจิตที่เป็นไปกับปัญญาเกิดขึ้น ในขณะที่คุณภาพจิตดีๆเกิดขึ้นอย่างนี้แปลว่าสหาชาติกร ม, มะเนี่ยมันให้ผลในขณะนั้นเลยไหมเจตนาเกิดขึ้นปุ๊บตัวกลุ่มกุศลก็เกิดร่วมในขณะนั้นปุ๊บโอ้โหให้ทันทีเลยในขณะนั้นทั้งเหตุทั้งผลทั้งเหตุทั้งผลก็เกิดร่วมกันอยู่ตลอดเวลาเลยเนี่ยแล้วก็ปรุงแต่งขณะดหนึ่งสู่ขนาด 1, สองขนาดสามขนาดสี่ทำคุณภาพจิตที่ดีให้เกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้น จิตที่แข็งแรงจิตที่ตั้งมั่นจิตไม่หวั่นไหวจิตที่เกล้ากล้าอดหารจิตที่มั่นคงจิตที่อ่อนโยนจิตที่ควรต่อกุศลจิตที่เป็นไปกับทานศีลภาวนามันเกิดตลอดติดต่อและต่อเนื่องเป็นไปกับความสุขเป็นไปกับญาณปัญญาเกิดขึ้นแล้วสั่งสมคุณภาพจิตอย่างนี้เรื่อยๆสะสาชาติกรมสาชาติกรมไปเนียะทั้งกรรมทั้งผลทั้งกรรมทั้งผลทั้งส יה, ่วนนี้ดีๆไปเกิดติดต่อต่อเนื่องเลยกลายเป็นคนมีจิตดีหรือไม่ดีเนี่ยเห็นไหมเนี่ยให้ผล ทีนี้ด้วยการด้วยสภาพของกุศลเหล่านี้เกิดขึ้นปุ๊บมันก็ผักดันให้เป็นจิตตะชรูปแผ่ไปทั่วสะพางร่างกายตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยกลุ่มจิตตะชรูปทั้งหลายลเลยนีย่ก็ปกคกรองการาชกายกระแสะชีวิตจะ ต, ติดต่อและต่อเนื่อง ต, อต่อและต่อเนื่องบุคลิกภาพสีหน้าแววตาท่าทางดูดีไหมโอ้โหเนี่ยไม่ใช่แค่จิตอย่างเดียวแล้วส่งผลมาเป็นบุคลิกภาพเลยใช่ไหมจะเป็นคนที่ดูยิ้มแย้มแจ่มใส ผิวพรรณก็ดีหน้าตาก็ล่าเริงเบิกบานยิ้มแยม้มปฏิสัมพันธ์กับสังคมสิ่งแวดแล้อมโอ้ดูดีไปหมดตอนนี้เป็นอย่างนั้นหรือยังเบ็ดไม่เบ็ดเห็นไหมโอ้โหเนี่ยไม่ใช่ได้ระดับหนึ่งคือด้านจิตใจระดับที่สองบุคลิกภาพเป็นไปหมดเลยแล้วยิ่งสั่งสมกุศลมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นโอ้ดูล่าเริงผ่องใสไม่เป็นคนเครียดคนกัดกลุ่ม ดีหน้าแล้วแววตาทั้งหลายก็ดูผ่องใสล่าเริงใช่ไเบิกบานกิริยาอาการที่แสดงออกมาก็โอ้โหดูนุ่มนวลใช่หกายกรรมก็เป็นกุศลใช่การงานก็ดูดีก า, การงานทางกายก็ดีการงานทางวาจาก็ดีการงานทางใจกายกรรมวิจีกรรมมโนโกรรมพฤติกรรมทั้งหลายแสดงออกมาการปฏิสัมพันธ์สื่อสารเนี่ยอดูดีหมดเลยอะใช่ เพราะกุศลเดินเดินได้เร็วเดินได้มากเดินได้ติดต่อและต่อเนื่องมีพลังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเป็นขนาดนี้ได้ยังงั <c> ้น <oughs> ทําให้ได้ตรงนี้สำคัญได้อยู่ที่ไหนทีนี้ระดับที่สามมันเป็นกลุ่มของนานาคณิกกรรมได้ลาบได้ยศสุขสารเสริมนี่ให้ผลต่างขณะดนะไอตัวทํากรรมขนาดหนึ่ง ตัวได้รับผลคือได้รับได้ยศได้สุขสารเสริญสมหวังในขณะหนึ่งใช่ไหมคนละขณะกันแล้วอาจจะขณะพบนี้ก็ได้ขณะพบหน้าก็ได้ขณะพบที่สาม ท, สที่สี่ที่ห้าเป็นต้นไปก็ได้อือเนี่ยเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยอันนั้นเป็นขณนะที่สามถ้าขณะที่สี่ไม่ใช่ตัวเราอย่างเดียวแล้วลูกหลานญาติมิตรพ่อแม่ปู่ตาย า, ยายยายได้รับผลกระทบในทางที่ดีดดเต็มไปหมดเลยใช่ไหม คนคนหนึ่งเกิดมากําลังบุญของคนคนหนึ่งดูแลคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นแสนเป็นล้านนี่ไั้น 100, 000, ีน่กำลังบุญคนคนเดียวนะเกิดขึ้นมาปบหนูเขื่อนมหฮมาเกิดขึ้น ม, ม า, มาดูแลคนมีน้ําใช้เต็มเลยวันนี้ได้กำลังกุศลของคนคนเดียวนะี่ยสะเอ้ยสวนสาธารณะเอ้ยถนนหนทางเอ้ยมาจากกาลังที่กุศลของคนค น, คนเดียวขนาดนั้นสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมเพราะ พลอย้ายพลอยฝนไปเลยอันนั้นก็ว่ากันเอา้าพิ ก, กับถ้าเป็นบาปเลยถ้าเป็นอกุศลเนื้อจิตไม่จิตที่มีจิตที่เป็นโรคจิตที่อ่อนแองอยเหงาเศร้าซุมเครียดพิตกกังวลงวดเหงิดฟุ้งซ่านกระสับกระสายเป็นไปกับจิตไม่สะอาด มีของเสียเต็มไปหมดเป็นไปกับความทุกข์ความกัดกรุ้มเป็นไปกับความหลงความมืดบอดก็สั่งสมสภาพจิตอย่างเนี้ยทั้งกาหนัดขัดเคืองหงอยเหงาเศร้าซึมฟุ้งซ่านลาคาญใจลังเลสงสยัยเต็มไปหมดเลยเนีย้ยสั่งสมจิตพเพื่อนี้เลยๆๆๆๆๆๆนี่ระดับทั้งเครียดทั้งก้มทั้งหงอยเหงาเศร้าซึมทั้งว้าเวยผิดหวัง เป็นไหมเคยไหมจิตแบบนี้เคยไหมเคยไม่เค ย, ยเครียดวิตกกังวลกลัวตายกลัวจะเป็นอย่างนู้นอย่างนี้สภาพาคิดปรุงแต่งอยู่นั่นแหละไปไปมาม า, มาสีหน้าแววตาพฤติกรรมทางกายกรรมวิญญกรรมธรรมโนกรรมออกมาเป็นไงบุคลิกภาพกลายเป็นคนอีกอย่างหนึ่งล็อกแหลกดูลักษณะเศร้าซึมเหงาหงอยเศร้าหมองเศร้าซ้อยหมองคล้ำ สีหน้าเวลาตามเหมื่อ้อยใช่ไหมเริ่มคุยคนเดียวไปใหญ่เลยเดีเนี้เห็ <c oughs> นไหมระดับที่หนึ่งจิตใจระดับสองบุคลิกภาพนี่ผลของบาปให้ผลนี้ยังนี่เป็นเยอะไหมเราเคยเป็นไหมแบบนี้เคยเป็นหรือเคยไหมเออรือ ไปก็กัดกรุ้มไม่รู้จะหาอะไรก็เอาโทรศัพท์มาเคลีย่อยู่นั่นแหละวันวันนะกุ้มระบายหน่อยระบายหน่อยบางคนก็เป็นเกมเป็นอะไรมาเล่นบกับปุ๊บปเดียวนะระบายถอนหายใจเป็นระยะระยะ <c oughs> เครียด <c oughs> ใช่ไหมแล้วก็บอกไม่รู้เครียดอะไรก็บอกัน <c oughs> ไม่รู้ยมเป็นอะไรก็ไม่รู้ เอาแต่ตัวยังเป็นยังไม่รู้ชังไม่ถามมันยังไม่ถามเป็นอะไรก็ไม่รู้ทําไมถึงไม่รู้หมอหะไม่รู้เรื่องไ ป, ไปมาไปปรึกษามหมอใช่ไหมบ อ, บอกว่าหมอก็บอกเครียดไม่เห็นเครียดเลยเอายาไปกินนี่เป็นโรคที่กายโรคที่ใจ มันไปลกที่ใจแล้วมันมียาตัวไหนแล้วมันซึมไปที่ใจได้ไหมมันไม่มีหรอกใช่ไหมล่ะก็มีแค่นั้นเมื่อไรก็มีแค่นั้นเองทีนี้ก็ไปจัดการที่สมองก็ไปถึงไม่ถึงจิตใจอปัญหาที่ยมเป็นเป็นปัญหาที่ใจนี่ไม่ใช่ปัญหาที่กายแต่กายทําเป็นผลถูกกระทําถูกใจกระทั่งบางทีถูกใจประทุสลายบางทีนึ่ใช่ไหมล่ะ ไ อ, อจิตอกุศลจิตแต่ชื้อโรมันก็ปกคุมจนกลายเป็นหน้าบอกบุญไม่รับแล้วมองไม่อยากจะมองหน้าแล้วเห็นต้องหลบๆ ห, หน้าแล้วคุยไปคุยมาเนี่ยเนี่ยฉันชะกระแวงคท่านแล้วเนี่ยใช่หมแล้วเมือไปคุยนานานๆเข้ามันระแวงคนไปทั่วใช่ไหมเนีย่ยนี่ไม่คิดไม่ดีก็ยอมแน่นอนะเอาอะไรดินเนี่ยเป็นยังไงเออ ลองไปตามโรงพยาบาลจะมีใฝ่แผนกจิตเวชบางทีอาทิตย์หนึ่งวันทีสองวันเราจะเห็นนะสมาชิกเต็มไปหมดเป็นร้อยๆหมอคนหนึ่งต้องรับคนไข้เนี่แหละมันมาจากอกุศลเนี่ยจิต ท, ที่มีโรคจิต ท, ที่มีคของเสียจิต ท, ที่ไม่สะอาดที่มออกงผงเป้าจิต ท, ที่เป็นไปกับความทุกข์จิต ท, ที่เป็นไปกับโมหานี่แหละมันสั่งสมจิตประเภทนี้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในข้าในข้าก็ออกมาเป็น พฤติกรรมออกมามองรู้เลยดเริ่มเดินมือร้อยเริ่มวิตกกังวลเริ่มหูแว่วพูดคนเดียวนี่เริ่มเลยเริ่มเลยเนี่ยมันออกมาอย่างอย่างเนี่ยนี่เป็นปัญหาสังคมไหมเนี่ยแกปัญหาบุคคลเนี่ยเป็นปัญหาสังคมไปหาหมอหมอกระเรียนใหญ่หมอก็เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์มาทั้งรูก ป, ประธรรมมาแต่เจาะไม่ถึงทางด้านจิตใจก็ให้ยา กล่อมปาะสาทใช่ไหมให้หลังสาลอะไรออกมานีพอหลังสารตรงนี้ออกมาแล้วใจจะได้สบายกัเลยอดี่ยุ่งๆไปๆเข้ามาถ้าสมัยโบราณก็ง่ายเลยก็ใช้พวกที่ฟินบางเฮโรอีนบางใส่เข้าไปเห็นไหมไอายาพวกนี้ก็มีส่วนผสมพวกนี้แหละกล่อมดี่ภาสาท ดีไหมเพิ <c oughs> ่งรู้เลยงั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจนะว่า นี่แหละคืออกุศลเวลามันเกิดขึ้นในระดับที่สองบุคลิกภาพระดับที่สามก็เสื่อมลาบเสื่อมยศโดนนินทาประสบความทุกข์ผิดหวังระดับที่สพ่อแม่ปู่ตายายายสังคมโดนผลกระทบจากบาปของคนคนเนี้ยอีกเยอะหมดเลยนะี่ยถ้าคนคนนั้นมีศักยภาพมีความสามารถสูงโหบาปเยอะเลยมันเปลี่ยนสังคมเลยในะโลกจิตประเภทนี้มันเปลี่ยนสังคมอุดมกติต้องการให้สังคมเป็นอย่างนี้ คนที่มีจิตเสียเยอะ uh, ๆเนี่ยนะมีทิฐิมีกําลังมานะมีกําลังตัณหามีกําลังทั้งหลายต้องการเปลี่ยนเนี่ยสังคมต้องเป็นอย่างนี้อ่าวันจันทร์ต้องใส่ชุดสีนี้วันอังคารต้องใส่สีนี้มันบังคับออกมาเลยนะต้องออกระเบียบอย่างนี้ห้ามอย่างนู้นห้ามอย่างนี้ขึ้นมาน่าเข้าน่ะเข้าเป็นเหมือนเหมาเลยนะโคเล่นคนต้องประเทศเหมือนดพระเลยใช่ไหมใส่ชุดเหมือนพรากันทั้งประเทศในยุคนั้นนะยุคเจ้าเหมาเ น, นี่ย หรืออย่างพรอนโพสเนี่ย โ, โหหนักเลยใครที่มีคิดขวางตัวเองจับฆ่าตัดปาดคอทิ้งเชือดคอเลยเล่นแล้วตายตั้งหลายล้านคนพระพบบ เ, อเอาค น, น, น, นก็หลาบสวนเนี่ยเห็นไหม <laughs> นี่ไงว่าไอ้ตัวที่เจตนาที่มันผิดพลาดใเวลาบาปมันให้ผลผิดพลาดขึ้นมาโอ้โหใช่ไหมจิตเลือนนี่ปกกระดมคนฆ่ายูี่เป็นล้านๆตั้งหกล้านเ็ดล้านานาดนั้นไนะใช่ไหมสงคามโลกอะไรทั้งหลายเหล่านี้ก็เกิดขึ้นมาจากไอ้พวกจิตประเภทนี้แหละนี่แหละคือปัญหาสังคมจากปัญหาของมนุษย์นี่แหละกับปัญหาของสังคม แล้วก็เดือดร้อนกั น, น, นจริงๆวันนี้ว่าจะสวดมนต์เลยไม่ได้สวดมนต์เลย น, นี่ยฮะได้ยินอะไรอืออืม อืมอืมเอาไว้ต่อตอนช่องใบบ่ายนะมันเยอะเกิน <c oughs> พอ พ, พูดเรื่องกรรมเนี่ยพูดเรื่องยาวเลยเรื่องยาวมาก